คำสอนของพระพุทธเจ้าคือกฎธรรมชาติคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่พระองค์มาบัญญัติขึ้นโดยความคิดของพระองค์แต่มันก็เป็นความคิดของพระองค์นั่นแหละแต่หากเป็นความคิดที่มีเหตุผลคือพระองค์รู้จริงว่าสิ่งนี้กับสิ่งนี้เมื่อมากระทบกันแล้วมันเกิดผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็บัญญัติไปตามนั้นไม่ใช่แบบชนิดที่ว่ามองมองดูความสุขทุกข์ของประชาชนอะไรต่างๆเขาชอบกันอย่างนี้ก็บัญญัติไปตามใจเขาอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันฝืนกฎของธรรมชาติคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ความจริงตามที่มันเป็นจริงอยู่แล้วพระองค์เพียงแต่รู้เท่านั้น ตรวจสอบตักเตือนพระได้หรือไม่การตวรวจสอบมันไม่ใช่การลบหลู่ดูหมิน่นการตวรวจสอบก็ไม่ใช่เรื่องจับผิดถ้าเห็นอะไรที่มันผิดพลาดไม่สมควรเราพุทธบริษัทเราก็ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารแต่ยปิติฉินนินทาถ้าติฉินนินทาแล้วบาป แต่ว่าการตักเตือนครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปตักเตือนโดยตรงใช้วิธีถามปัญหาเช่นถามว่าพระธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นมันผิดหรือเปล่าถ้ามันไปตรงกับความประพฤติของท่านถ้าท่านหวังดีต่อพระธรรมวิไนท่านรู้สึกตัวเองความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าว่าแต่ปุถุชนพระอาหารหันต์ก็ยังมี นิสัยวาสนาพระสาวกละไม่ได้เด็ดขาดมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระสาวกอรหัน์เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปทุกองค์ก็เดินลุยน้ําไปแต่ร่องน้ํามันพอกระโดดข้ามได้กระโดดข้ามปับ๊บพระภิกษุกระโดดนี่มันเป็นอาบัต ท, ทุกกฎทีนี้พระพุทธเจ้าหันมาทักพระสาวกเคยเป็นลิงมาต่ชาติก่อนนิสัยลิงยังติดอยู่ ท่านก็เทศว่านิสัยวาสนาพระสาวกละไม่ได้เด็ดขาดมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่นี้หลวงพ่อเนี่ยเวลานี้แก่มากแล้วมันก็เลยไม่ได้นึกถึงอะไรทั้งนั้นแหละบางทีก็ตลกโปกหาไปเอาแต่เรื่องเคร่งๆมาหยิบยื่นให้ชาวบ้านเขาก็กรุ่มใจตายอะไรมันจะพอผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดเขาบ้าง ก็เอาบ้างเหมือนกันแต่ว่าเจตนาที่จะทำผิดไม่มีเป็นแต่เพียงว่าช่วยเหลือให้เขาสบายใจเท่านั้นโดยปกติพระพุทธเจ้าทรงมัญญิวินัยพระภิกษุจับแต่ต้องของที่ไม่มีผู้ประเคนเพียงแต่แตะต้องเท่านั้นเป็นอาบัตทุกกฎถ้าเปฉันของที่เขาไม่ได้ประเคนต้องอาบัตป่าจิตตี พระพุทธเจ้าไปบินธบาตพอไปถึงหน้าบ้านเขาก็เดินทะลุไปถึงหลังบ้านเขานอนข้าวก็หุงสุกแล้วไปคดเอาข้าวในหม้อเข้าไปหมดเพราะพระองค์รู้วาระจิตว่านายคนนี้ยถ้าเราทำอย่างนี้เขาจะดีใจและมาฟังธรรมะเราจะได้สําเร็จพระอรหันต์พอได้ข้าวแล้วก็เดินก้มหน้าออกมาเฉยเจ้าของบ้าน ในขณะที่พระพุทธเจ้าไปคดเอาข้าวในหม้อแทนที่จะว่าโอ้ยมาเอาข้าวเราไปยังไงเรายังไม่ได้กินอะไรเอาไปหมดแล้วแทนที่เขาจะว่าอย่างนั้นเขาก็ดูเฉยดูด้วยความปลื้มปิติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเดิมท่านก็เป็นกษัตริย์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ายังถมเนื้อถมตัวมาวิาสาสะกับเรานี่บุญนักหนาแล้ว พอพระองค์เดินกลับออกมาเจ้าของบ้านก็บอกว่าท่านสมณะท่านได้แต่ข้าวเปล่าๆท่านจะได้ฉันกับอะไรนิมนต์นั่งรอตรงนี้ข้าพเจ้าจะไปทำกับข้าวมาใส่บาตรให้พอเขาเอากับข้าวมาใส่บาตรพระองค์ก็ตรัสว่าไหนๆก็ได้มานั่งบ้านท่านแล้วขอฉันข้าวสักหน่อยพระองค์ก็นั่งฉันข้าวอยู่ตรงนั้น เจ้าของบ้านก็หาน้ำหาท่ามาให้พอเสร็จแล้วยังแถมได้กินข้าวก้นบาดพระพุทธเจ้าด้วยเสร็จแล้วพระองค์ก็เทศอนุโมทนาพอเทศจบนายคนนั้นก็สําเร็จพระอรหันต์แล้วก็กล่าวว่าข้าพระเจ้าขอติดตามไปกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสตอบว่าจะไปทําไมเล่าท่านก็มีครอบครัวอยู่เขาก็ทูลกลับมาว่า ข้าพเจ้าอยู่กับครอบครัวไม่ได้แล้วจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผูกพันพระพุทธองค์ก็สาธุสาธุสาธุพอไปถึงวัดพระองค์ก็บวชให้เลย